พวกเราที่เป็นชาวพุทธสนใจในการปฏิบัติการภาวนาย่อมรู้จักชื่อของหลวงปู่มั่นนะเพราะว่าถือว่าท่านเป็นแม่ทัพใหญ่นะของพระกรรมฐานสายอีสานซึ่งก็ยังเป็นที่จดจำแล้วก็ยังมีคุนูปการนะต่อพระสงฆ์แล้วก็ชาวพุทธจำนวนมากเอ่ยชื่อหลวงปู่มั่นนะหลายคนก็ รู้จักไม่มากก็ น, น้อยแต่ว่าน้อยคนนะจะรู้ว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยใครเป็นอาจารย์ของท่านอาจารย์ของท่านคือใครนะอาจารย์ท่านคือหลวงปู่เสารนะกันตาสีโลหลวงปู่เสารนี่ก็ถือว่าเป็นพ่อพระด้านกรรมฐานอะไรตวเดิมนะอันนี้เป็นสมญาณนามที่หลวงปู่อาจารย์มหาบัวได้ตั้งนะ เรงงท่านน่าสนใจนะเพราะว่าท่านเป็นเรียกว่าผู้บุกเบิกเลยนะของอวงการกรรมฐานสายพระป่าในอีสานท่านจะเรียกว่าก่อนหลวงปู่ ม, มั่นสิบนะท่านก็เหมือนกับคนไทยทั่วไปนะพออายุสิบกว่าก็บวชเนนบางท่านบวชเนนแล้วก็ศึกทำงาน แล้วจึงค่อยบวชพระตามประเพณีแต่หลวงปู่สาวนี่ท่านบวชเนเสร็จพออายุครบบวชอุปสมบทท่านก็บวชเป็นพระเลยเรียกว่า อ, อยู่ในผ้าเหลืองมาตั้งแต่เล็กเลยทีเดียวแล้วก็ท่านก็ตั้งใจปฏิบัตินะแต่สมัยก่อนก็ไม่ค่อยมีครูบาอาจารย์เท่าไหร่ท่านก็ปฏิบัติไปตามความรู้ความเข้าใจที่มี และที่สำคัญคือปฏิบัติตามพระธรรมวินัยก็ถือว่าเป็นพระดีรูปหนึ่งเลยนะแต่ว่าพอท่านบวชไปได้สักสิบพรรษาเรียกว่ากำลังหนุ่มชะกันเลยนะสามสิบก็มีความคิดอยากจะศึกนะศึก้วไปทำอะไรนะท่านก็ตั้งใจว่าจะไปเป็นพ่อค้านะจะเอาของเนี่ยขาย เอาของไปขายโดยการร่องเรือไปตามลำน้ำมูลลาน้ำโขงขายสินค้าเสร็จก็ซื้อสินค้าตามรายทางไปขายต่อที่อื่นเรียกว่าท่านวางแผนเอาไว้อย่างละเอียดเลยนะว่าจะทำมาค้าขายอย่างไรแล้วก็ตั้งใจว่าเนี่ยพอได้เงินมาสักก้อนหนึ่งก็จะ แต่งงานมีครอบครัวนะก็เป็นความหวังหรือความไฝฟฟ่ันของคนหนุ่มในเวลานั้นแหละแต่เพียงแต่ว่าท่านฉลาดแนะ่ทนที่จะไปทำนาทำไร่ก็ค้าขายดีกว่าเพราะว่าท่านก็มีหัวทางนี้นะั้นท่านไม่ได้คิดอย่างเดียวนะั้นท่านก็เริ่มทำด้วยนะตั้งแต่ขณะที่บวชเนี่ยก็เริ่มสะสมข้าวของแล้ว ใครมาถวายอะไรท่านก็เก็บเอาไว้โดยพราะเสื้อผ้าแพพันบางทีท่านก็ไปหาซื้อมาหรือคนให้ท่านก็เก็บเอาไว้เก็บตั้งแต่เป็นพระนะเก็บที่เก็บเสาธงไว้ที่กุฏินั่นแหละพวกของที่จะ เ, เอามาเป็นสินค้านะขายได้ท่านก็เริ่มเก็บเนะี่ยเรียกว่าวางแผนกันเป็นปีเลยผ่านไปเป็นปีนี่ก็นะเรียกว่า เก็บของมาได้เยอะแล้วเรียกว่าพอที่จะเอาไปค้าขายได้แนละ้วแต่ขาดอยู่อย่างนึงนะขาดเรือท่านก็รอนะว่าจะจะได้เรือมาอย่างไงนะก็บังเอิญนะไปเจอขอนไม้ก็คงเป็นขอนใหญ่นะท่านก็คิดว่าเนี่ยเอาขอนนี่แหละนะมาขุดเป็นเรือ ไอ้เรือที่ว่านี่มันไม่ใช่เรือแจวเรือพายธรรมดานะมันต้องเป็นเรือขนสินค้าแสดงว่าขอนไม่ต้องเป็นขอนใหญ่ทีเดียวนะท่านก็ค่อยๆขุดไปเรื่อยนะจนกระทั่งขอนเนี่ยกลายเป็นเรือนึกภาพนะขอนกงเป็นขอนใหญ่ทีเดียวนะแล้วต้องใช้เวลานานเดือนท่านก็ทําในหลองที่เป็นพระนี่แล้วนะเรียกว่าเป็นพระที่ มีการวางแผนอย่างดีนะว่าศึกไปแล้วนี่จะไปทําอะไรเตรียมการพร้อมจนระทั่งเรือนี้เสร็จแล้วเรือก็เสร็จแล้วสินค้าก็พร้อมแล้วก็เรียกว่าพร้อมจะศึกแล้วแหละแต่บังเอิญนะได้ข่าวว่าโยมแม่เสียชีวิตโยมแม่เสียชีวิตคงเสียชีวิตกะทันหันนะก็เลย ไปงานศพไปทาไปจัดงานศพให้กับโยมแม่เผาเสร็จกลางดึกเนี่ยท่านก็มาไครครวนนะจูๆก็มาทบทวนวนะ่าเออโยมแม่ของเราเนี่ยทำงานหนักมาทั้งชีวิตนะขยันขันแข็งเก็บพร้อมรอมริบนะแล้วก็จนกระทั่งมีทรัพย์สมบัติพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นที่ดินไม่ว่าจะเป็นวัวควายเงินทองแต่พอตายแล้วก็ไปไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวหรือสลึงเดียวแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่ห่อร่างก็ต้องปล่อยให้มันสูน์สลายไปกับกองเพลิงก็มาคิดว่าเนี่ยโยโมแม่ของเรานี่ทุ่มเทมาทั้งชีวิตเพื่อทำมาหาเงิน นะเรียงครอบครัวจะสุดท้ายได้อะไรเป็นแก่นสารพอที่จะพูดได้ว่าเกิดมาทั้งทีแล้วชีวิตนี้ไม่ขาดทุนโอ้าคาถามนี้นี่มันทำให้ท่านได้ใคร่ใคร่ควรมากเลยนะเกิดมาทั้งทีเนี่ยได้อะไรเป็นแก่นสารพอที่จะพูดได้ว่าเนี่ยชีวิตนี้มันไม่ขาดทุน แล้เลยย้อนมามองที่ตัวเองว่าเราก็เหมือนกันนะจะศึกไปเป็นพ่อค้าทำงานหาเงินไอ้ได้เงินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่ามีอันความไม่แน่นอนหลายอย่างเนะช่นค้าขายเราจะขาดทุนหรือเปล่าจะได้กำไรไม่จะเจอโจนเจอโจรมาป้นหรือเปล่าจะเจอภัยเช่นภัยธรรมชาติน้ำท่วมเรือคว่ำทรัพย์สินเสียหาย และแม่จะได้กาไรประสบความสำเร็จแต่ว่าชื่นมีแค่นี้เหรอนะพอตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้สักอย่างพอใครคนนี้เข้าเนี่ยสุดท้ายท่านตัดสินใจเลยนะไม่ศึกแล้วแล้วก็ตั้งจิตนะอธิษฐานเลยนะว่าจะบวชตลอดชีวิตว่าเป็นการเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะและเป็นจุดเปลี่ยนที่เกิดจากการตายของโยมแม่นะเวลา บุปการดูเสียช่วยเนี่ยมันเป็นความสูญเสียที่สําคัญนะซึ่งสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้คนแต่ว่าหลวงปู่เสาเนี่ยนะท่านได้นิสงอย่างมากเลยนะจากการที่โยมแม่เสียชีวิตเพราะทําให้ได้ใครควรถึงความจริงของชีวิตนะเกิดมาแล้วก็ต้องตายตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างแม้จะทุ่มเทสร้าง สะสมทรัพสมบัติมามากมายก็เลยตัดสินใจไม่ศึกแล้วแล้วพอไม่ศึกนะโอ้ชีวิตท่านก็เรียกว่าก็มีแต่ขาขึ้นเลยนะไม่ได้ขาขึ้นทางโลกนะขาขึ้นในทางธรรมต้องตั้งใจปฏิบัติทำกรรมฐานออกทุดดงบวได้หลังนั้น4ปีนะพอได้บวได้ 14. พันษาระหว่างที่ไปทุดดงที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ก็ไปแสดงธรรมปรากว่ามีชายหนุ่มคนนึงเนี่ยเกิดสนใจขึ้นมาศรัทธาในคำสอนของหลวงปู่สาวก็เลยมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ชายหนุ่มคนนั้นเป็นหมอดำอเป็นหมอลำฝีปากดีนะยังหนุ่มอยู่เลยนะชื่อมั่นเป็นหมอลำฝีปากดีแต่ว่าศรัทธาหลวงปู่หลวงปู่สาวซึ่งตอนนั้นก็ยังเป็นอาจารย์สาวอยู่นะอายุแค่30สกว่า ก็เลยมาเกิดศรัทธาในพระศาสนาแล้วก็บวชแล้วก็ได้ชื่อว่าพระมั่นภูริทัตโตเนี่ยอันนี้แหละนะซึ่งต่อมาก็คือหลวงปู่มัน่นเรียกว่าถ้าหากว่าท่านศึกไปนะตั้งแต่ศิษย์พรนสานี่ก็ก็น่าสงสัยนะว่าเราจะมีครูบาอาจารย์ที่ชื่อหลวงปู่มั่นหรือเปล่าเดีย๋ยวไม่ต้องพูดถึงว่าแล้วเราจะมี แม่ทับกรรมฐานที่ชื่อหลวงปู่เสาไหมอันนี้เกิดเป็นไปได้เพราะอะไรเพราะจุดเป็นที่สําคัญนะคือการที่โยมแม่ของหลวงปู่เสาเนี่ยเสียชีวิตเป็นความสูญเสียนะแต่ว่ากลับเป็นอ่าเป็นทำให้เกิดสิ่งดีงามขึ้นมาเพราะถ้าว่าโยมแม่ท่านไม่เสียในเวลานั้นเนี่ยหรือว่าอาจจะเสียหลังจากนั้นนิดหน่อย เดือนสองเดือนพระอาจารย์สาวที่อาจจะศึกไปแล้วก็ได้แต่มันพอดีเลยนะแต่ว่าจะพอดีหรือไม่ก็ตามสิ่งสำคัญคือว่าเขารู้จักพิจารณาพิจารณาว่านความตายของโยมแม่ของเราเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรนะกับเราบ้างอันนี้เราเป็นการทำให้ความตายคนที่เรารักนี่มีคุณค่าขึ้นมานะ ปกติเวลาคนที่เรารักตายเนี่ยคนที่เหลือเนี่ยลูกหลานคนรักก็พลอยเศร้าโศกแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยนะเรียกว่าเสียบุปการณ์เลแล้วยัง ใ, ใจเสียอีกบางทีชีวิตก็เสียกับไปหาเหล้าไปหายาเพื่อบรรเทาความโศกเศร้าเรียกว่าทำให้ความตายของคนที่ตนเองรักเนี่ยกับเกิดผลย่าแย่ลง หลวงปู่สาวนี่ท่านทำให้ความตายของโยมแม่นี่มีความหมายนะเพราะมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตซึ่งมีคุณูปการมากนะต่อพระพุทธศาสนาเพราะนอกจากจะได้หลวงปู่สาวนะก็ยังได้หลวงปู่มั่นแล้วก็ได้หลวงปู่สิงห์อีกหลายท่านเลยนะตามมาเป็นเพราะการตัดสินใจที่ถูกต้องในเวลานั้ น, นอันนี้ก็เรียกว่าการตายของ บุปการีเนี่ยมันมีความหมายในทางที่ดีนะซึ่งถ้าเรารู้จักนะรู้จักมองรู้จักใช้นะมันก็เกิดคุณค่าขึ้นมาได้ไม่ใช่ตายแล้วก็ทำให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจแล้วก็ไม่ได้อะไรเลย